พฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้ใกล้ๆเที่ยงหลวงพ่อของจะได้ออกไปที่บ้านหนองหัวคูอำเภอบ้านผือไปแสดงหรือว่าไปเทศไปงานศพของนายกอ บ, บจอจังหวัดอุดรในวิเชียนเขาขำ่ำแม่ของท่าน101ปีนะอายุได้มาณะ ลงไปแล้วก็ในมณ์ลงพ่อแต่ไปเนี่ยนะคิดว่าคงจะไปในงานศพของท่านคงจะเป็นแสดงธรรมกัมังถ้าไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ใครไม่ป่วยนะประมาณบ่ายโมงครึ่งวันนี้แล้วก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะกลับคงจะไม่ได้ไปทางอื่นกลับวัดแล้วก็เมื่อวาน เป็นวันวิสาขาบูชาพี่น้องประชาชนล้นหลามรู้สึกว่าอบอุ่นถามไปทางวัดไหนๆวัดใหญ่ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนมากอย่างที่วัดป่าบ้านตาดก็มีชัดชัดชัยญาโยมเข้ามาเราก็ถามไปไงยวัดป่าบ้านตัดโอ้อยางอบอุ่นล้นรถไม่มีที่จะจอดหลวงพออ่อนหดมากเออ รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนอบอุ่นนะที่หลวงพ่อม อ, มองมองดูแล้วคนรุ่นใหม่หันหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาขึ้นเยอะขึ้นเนาะที่ตามในสายตาของหลวงพ่อนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่ อ, อยังวิตกกังวลอีกต่างหากว่าอืจะทํายังไงคนรุ่นใหม่ทําไมหันหลังให้วัดเน้นไปทางด้านวัตถุหรือว่าเน้นไปในทาง สนุกสนานเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากับด้านวัตถุจนลืมหลงในแนวความประพฤติธปฏิบัติของตนเองอันไหนจะถูกต้องเป็นธรรมโดยมากจะไปสุดโต่งไปทางโลกี เ, เที่ยวเตรดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่ น, ลนการพ น, นันคบคนดีคบคนชั่วว่าเป็นคนดี เป็นมิตรเป็นสหายโดยมากมันไปทางอบายยมกในหลักของพุทธศาสนาอยู่แล้วท่านบอกอบายยมกุกเหตุเครื่องจิบหายมุขขามุขขาแปลว่าจิบหายซึ่งหน้าซึ่งปากหลวงพ่อเองวิตกกังวลนะลูกหลานในช่วง้ังหลังแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออตีตื่นขึ้นมาเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมรุ่นกลางกลางๆงคน ประมาณ2ี่0ิบี่ปีกําลังมีลูกเล็กเด็กแดงกําลังก่อร่างก่อร่างสร้างตัวกําลังตอกตั้งตัว เ, เห็นหันหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนามากแต่ก็วิตกกังวลอีกส่วนหนึ่งทางวัดวาศาสนาเนี่ยก็บางทีบางเสียงบางอย่างออกนอกลู่นอกทางทิพระเวกระวะเลกระวะลาชพระโคโลกุนโซโซ ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจุดนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงเ็าขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกคนนะนะั่นนอให้มีจิตมั่นคงใจมั่นคงฝ่ายพระก็ให้มั่นคงฝ่ายศรัทธาญาติโยมก็ให้มั่นคงมั่นคงคำนี้คืออะไร ค, คือใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลไม่ว่าต่ยุคนั้นสมัยนี้ การยุยงหรือ ว, ว่าการหาเรื่องราวเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแต่อย่างหลวงพ่อพูดเมื่อคืนเนี่เรื่องนางโคตมีนางโคตมีขอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าให้บวชแล้วเมื่อรับครุธรรมแปดประการแล้วแปลว่าบวชละเพาอะอนุญาตให้บวชละรับครุธรรม แต่พอมาบวชแล้วท่านก็ภาวนาก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วทั้งฝ่ายภิกษุณีทั้งฝ่ายพระเอ๊ะทาไมอนางโคตมีเนยไม่มีอุปชาแล้วจะบวชได้ยังไงก็แสดงว่าใครบวชกับนางภิกษุณีเนเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะไม่มีที่ไปที่มาไม่มีอุปชาเออ มันขดมันจะหาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจา้ายังเป็นประธาน เ, ออเหมือนกับภูเขาสีรุอยู่แล้วก็ยังสงสัยได้นี่ะกิเลสนะทออีนี้นกันนะยกเทมกันขึ้นมาบอกว่านางโคตมเีเป็นอุปชาใหญ่ของเราเนี่ยไม่มีที่ไปที่มาเพียงได้ไดรับครุธรรมเท่านั้นล่ะก็เป็นเออเป็น อุปชาอาจารย์แล้วไม่ได้บวชนะจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้มากราบเพราะเขาแอนตี้ขึ้นมานะพิกทูนีจะไม่ให้นางโคจะมีหลงอุโบสถร่วมอีกต่างหากคนรักษาอย่างนั้นนะ่ะพระสงฆ์ก็ได้มากราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์บอกว่าเออนางโคจะมเีเราให้ครุฑทำแปดประการไปแล้วนั่นแหละคือการบวช ในการบวชนะนี่แหละเป็นอุปชาอย่างนั้นเขาก็ได้ภาวนาจนสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะเอาอะไรอีกละ่ะจะมีอะไรอีกละ่ะจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วอจะเอาบวชอะไรอีกนี่แหละคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเพ้อเพอจะถามพระพุทธเจ้าอิตังหักหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าบวชกระไคร้ยังวันจะว่าอย่างนั้นอีกมันกินเลสนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะ เออมันกิเลสตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดามันสงสัยไปเรื่อยเออไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ตามไม่จริงมันต้องดูเหตุผลก้นไก่อะไรอะไรมันมาจากไหนอย่างไรันนนางโคตมีที่เป็นพระแม่เลี้ยงพระพุทธองค์ที่เป็นน้องสาวของนางเฉลีมหามายาที่เป็นพมันดาเลี้ยง เมื่อพระ อ, องค์เมื่อสิท ธ, ธัตถะออกไปสรงผนวด น, นางนี่ก็รู้สึกว่าลูกทันรักในสิทธัตถานี่มากกว่าลูกของตนเองสองคนเพราะมันเป็นเสื้อสายยายยางมาในอดีตชาติเคยอิรันพันตูเกิดมาเป็นลูกกี่พ่กี่ชาติเคยเป็นแม่มาเคยเป็นพี่มาเป็นแม่มาเป็น ญาติโกโหติกามากี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาตินี่ยแหละความผูกพันมันลึกซึ้งนะแต่นี้พอสิทธิษฐ์หนีออกเกียกจากเวียงวังไปบวชนางคนนี้แหะเอายายฝ้ายเนี่ยนะเอาฝ้ายมาทําเป็นใยฝ้ายเข็นให้เป็นเส้นทําด้วยมือตนเองอีกต่างหากนะไม่ให้ใครทําทําด้วยมือตนเองทำปาณนธทิสุทธ ในหัวจิตหัวใจค่อยทำพระพุทธองค์ก็ไปบําเพนเ อ, อ, อยู่ในเขตแขวงที่พุทธคยานะหกปีนางโคตเมียนะก็พยายามทำภาพเมื่อพระองค์จะเด็จมาในเมืองขึ้นมาเมื่ อ, อไรก็จะได้ถวายท่านด้วยมือของเราเองพอเราทำด้วยความปราณีต ด้วยน้ำจิตน้ำใจที่สุดนางโกจะมรีรักเคารพในพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นนะผลลูกชายเลี้ยงลูกของพี่สาวแต่นั้นพระองค์สิทธฐานทด้เสด็จกลับมาที่กรุงกบิลละพัฒนา ง, งเอาผ้าที่ตัวเองเตรียมไว้ทั้งหกปีนะด้วยจิตด้วยใจด้วยความจดจอ่อ เข้าไปถวายพระพุทธเจ้าไปถวายพระพุทธเจ้าต่อพระหัตตเลยเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับผ่าผืนนั้นแล้วพระพุทธองค์เอาเ้าไปสารลบุตรโอ้โหนางโคจะมีพวกเราจะรู้รู้สึกยังไงใช่ไหะความตั้งใจถึงขนาดนั้นและถวายต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายื่นให้ภาษาลิบุตร ภาษาละบุตรเป็นพระรหันต์เนีพระพระองค์มีความหมายต้องมีความหมายเพราะว่า น, น, นางก็บอกว่าผ้าพื้นนีเป็นผ้าทําด้วยผะหัดด้วยมือของพระ อ, องค์เองนางโคตมีเองทุกอย่างจนเป็นผ้า ข, ขึ้นมาทำด้วยความปราณน็แต่พระองค์รับแล้วยื่นให้ภาษาลรบุตรภาษาลรบุตรยื่นขอตพระโมคคลา ใจของนางเนี่แป้ล์คล้ายๆโอ้โหทำไมพระอุปพระพุทธองค์จึงไม่เมตตาใช้เ่เรหนอเราก็ทําด้วยความจุดสุดจิตสุดใจอแล้วก็เราก็พูดดีว่าเราทําด้วยความสุดจิตสุดใจต่อพระพุทธองค์ขอพระพองค์ใช้ผ้าพผืนนี้ให้ด้วยนะแต่น่านก็ส่งส่งส่งไป ก็โดยมากก็เป็นพระหารทั้งหมดใช่ไหมพันไขว่าพวงมาลัยพวงนี้สมควรกับท่านผู้ใดเนี่ยพระพระหารท่านรู้นะพวงมาลัยพวงนี้จะสมควรกับท่านผู้ใดเนี่ยท่านว่าองค์สุดท้ายคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือองค์สุดท้ายจะเป็นองค์ที่รับพ้าผืนนี้พระตอนนี้ก็สง่สงสง่สงส่งไปจนถึงองค์สุดท้าย องสุดท้ายมันก็จะส่งไปที่ไหนท่นี่พอจุดท้ายแล้วใช่ไหมท่านก็เอาไว้ไว้ของท่านแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีที่จะส่งใช่ไหมนางโกตะมก็เหลือบตามองอยู่ตลอดปงานแต่ผ้าของตัวเองพระองค์ก็ ร, รู้รู้ในใจรู้พระทัยรู้รู้แนวความคิดของนางโคตะมบอกว่าโคตะม เ, เรารับผ้าของท่านท่านแล้วนะ แต่เราก็รับแล้วและก็ส่งไปเลยเธอท่านคงได้บุญกุศลมากเพราะองค์สุดท้ายน่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะบุญวลีของท่านบุญหนักจักใหญ่องค์สุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะทดลองดูเอาโมกขลาเนี่ยท่านก็อาบาดของท่านเอาขึ้นไปลอยเนี่ยบนอากาศไปโมกขลาไปไปรับไปเอาบาดพอโมคขลา ไปรับไล่บาทอยู่ในอากาศไม่ได้อแต่เนี่พระพุทองค์บอกว่าเนี่ยบาทไปเนี่ยมันลอยลงไปบาทพระองค์ลอยไปหาท่านองค์สุดท้ายนะ่ะท่านองค์สุดท้ายก็แบมือรับธรรมดานะี่ยพระพองค์บอกว่าดูก่อนจัตไทยญาติโยมสงฆ์ทางหลายองค์สุดท้ายนะ่ะต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นภาษีอริยะเมตไตรอ ต่อกจากเร า, เราลงไปในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์คือกักุสันโทโกนคมโนกัตสโปโคตมโมก็คือเราและก็อริยเมตยโย ค, คือพระศรีอานในองค์นั่นหละเป็นพระศรีอานต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระศรีอริยเมตรัยมาตัดในในโลกต่อจากเราไปจะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่อายุอายุยืนถึงแปดมื่นปีในศาสนาของพระศรีอาน นี่แหละอันนี้ก็คือพระ อ, องค์ท่านบอกว่าสรุปแล้วก็คือพระศีรษะมาเกิดในได้มาเกิดในพุทธศาสนาในเมืองในเมืองอินเดียไหมแ้วเราก็พอจะยืนยันได้ตามตามตามหลักพระไตรปิฎกเนี่นะแต่พระองค์จะไปเกิดที่ไหนก็สกการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่เกิดบ่อยที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งเกิดบ่อยเพราะอะไรเพราะ พอผู้ใหญเจ้าจะได้ตรรู้แล้วเนะี่ยไปขึ้นไปสู่สวรรค์ก็น้อยนึ่งอะไถ้าจะไปตกนรกก็ไปน้อยหนึ่งจะไม่อยู่นานผู้ท่านบา ร, รมีของท่านแก่กล้าแล้วนะี่นี่แหละพระศรีอริยเมตไตรนะจะได้มาตรัสนี่แหละอันนี้ก็คือนางโคตมีนางโคตมีได้ยินอย่า ง, งานงั้นก่อนเริ่มปีติอย่างมากเพราะนั้นขอให้นี่แหละ ความเปิดมาของพุทธศาสนาด้วยความเปิดมาของผนางโคตมีปเป็นสาวกที่พระพุทธองค์ที่บวชให้ในศาสนาของพุทธเป็นต้นตระกูลของภิกษุณีที่หลวงพ่อพูดให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละความเป็นมาของพุทธศาสนามีที่ไปมีที่มามีต้นมีปลายต้นมาจางไงปลายมายัางไงพวก พระพุทธองค์ได้บําเพ็ญยังไงจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดุด่ยขึ้นมาแล้วจะไดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีที่ไปที่มาพระพองค์บําเพ็ญบําเพ็ญนานเท่าไหร่สีอสงไขยกาไรแสนมหากรับจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านได้บำเพ็ญมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่านจะได้มาเกิดอุบัติขึ้นในในโลกเนะมื่อวานาในเมื่อวานก็ ถ้านับถอยหลังไปกว่า 2,560 ปีให้หลังที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกคือสิทธัตถะเกิดที่ลุมพินีจากนั้นก็ได้ตรัสรู้ที่พุทธกายาจุดนั้นแล้วก็ได้แสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรปโปรดปัญจวคีย์ทั้งห้าที่เมืองพาราณสีแล้วก็บริเนพานที่กุสินารา นี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าหากว่าหลวงพ่อยังเชิดชูบูชายกย่องพญาธรรมโสกราชนะทำไมจึงว่ายก ย, ยกย่องเชิดชูบูชาเพราะพญาธรรมโสกราชเนี่ยคิดไกลมองไกลไม่ได้มองใกล้มองไกลมากเพราะเหตุไรเพราะพญาธรรมโสกราชเนี่ยเมื่อพระเมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว330รกว่าปีนะ ตามตำราในพระไตรปิฎกเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่เมื่อพระเมื่อพระยาธรรมสุคราชอุบัติขึ้นมาแล้วก็ปกครองเออยึดพื้นที่เมืองอินเดียเกือบทั้งหมดเน่ยตอนี้ก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็สืบสาวเล่าเรื่องท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านก็ สืบสอบสาบถามว่าพระเทเจ้าเป็นมารางังไยที่ไหนกระพอที่สามร้อยปีนก็พองจะมีเรือนหลางว่ากุงกับบิลพัตร์อยู่ที่ไหนแล้วก็กุงวิวทหาอยู่ที่ไหนแล้วพวกนางศริมาหาามายาเนี่ยจะไป พระโอรสจะไปประูต์จะไปประสูต์ที่ไหนนี่แหละในจุดนั้นไปเดินไปครึ่งทางในระหว่างเมืองทั้งสองพระยาธรรมโศกราตไปปักเสาหินขึ้นมาเสาเสาหินหัวสิงถ้าว่าพวกเราไปประเทศอินเดียไปดูไปกราบสถานที่ประสูตนี่ว่าสังเวนยสถานสีประสูตรตัตรู้ แสดงธรรมจักแล้วกับปรินิพานถ้าเราไปเราจะไปเห็นหลักเสาหินนี่แหละตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเกิดนมันก็มีหลักฐานใช่ไหอถ้าพญาธรรมสุขไม่ปักไว้เนี่ยก็บอกประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ไม่รู้ทวงตรงไหนเลยก็เลยเลือนลางไปหมดแต่นี่เรามั่นใจตรงนี้พญาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเะเกิดตรงนี้ เกิดในป่าลุมพินีจากนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาที่ประเทศอินเดียตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่พระองค์แสดงธรรมาจับโปรดปัญจวคีทั้งห้าที่ได้เป็นที่ทพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกพร้อมกันนี่บอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประสงค์เกิดขึ้นจุดนี้จากนั้นรพระองค์ประกาศ ศาสนาทั้งสีสิบสี่สปีจากนั้นพระองค์อายุ8ปสก็ปรินิพานที่เมืองกุสินารานะันนแหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะอย่างที่พวกเราได้ทำแสดงความเคารพคาระวะเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชาพนะี่น้องประชาชนทั่วประเทศอาจจะทั่วโลกแต่บางประเทศอย่างศรีลังกาพมา่าเเขาเอาจริงเอาจังนะ แต่เมืองไทยของเราเนี่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นเรื่องวันวิสาขาบูชาลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็รู้สึกว่าให้ความสำคัญเพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าหนีออกจากห ล, หลักธรรมถ้าพวกเรานี้ออกจากหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้ว มีแต่ความหายชนะที่จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราคิดดูให้ดีสินห้าของพระพุทธเจ้านะ่คืออะไรพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรมคาสอนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมคาสอนที่ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นคําว่าเบียดเบียนข่ากันลังแกกันเอารัดเอาเปรียบกันในหลักธรรมคาสอนของพุทธท่านห้ามไว้หมดอย่าไปทําการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา นี่แหละอยากนั่นกับวิธีการคิดของตนเองอีกต่างหากจะคิดยังไงจึงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะตัดกิเลสภายในจิตใจของเราจะมาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต้องใช้ตปะธรรมนะศีล ส, สมาธิปัญญานะชำระกิเลสราคะโทสะโมหะนะที่เราวกวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะกิเลสพามานะพอกิเลสพาเป็นพาไปนะ นี่แหละคือหลักธรรมคาสอนเพราะฉนั้นถ้าเราศึกษาดูแล้วนะไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าวิชาไหนนะวิชาไหนต่อ ว, วิชาไหนต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าใครจะรู้รู้ทั้งหมดไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาะพระธรรมคําสอนของพุทธาแปด่นสี่พันพระธรรมขัคคัญไม่ใช่วิชาห่วยๆนะเป็นวิชาที่ตัดภพตัดชาติ เป็นวิชาที่ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นถูกท่วนหน้ากันถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วเราจะรู้ได้นะถ้าเราศึกษาแบบปลบปลายก็อย่างว่านะคนที่ไม่รู้ก็ดูถูกไปเรื่อยเหมือนกับตาบอดตรงนั้นก็ไม่มีควากตรงนั้นก็ไม่มีน้าตรงนั้นไม่มีบอ่อตรงนั้นไม่มีงูจงอางไม่มีตอมีแตนตาบอดมันไม่เห็นใช่ไหมมันก็พูดไปเรื่อย เออตอนเดินเข้าไปนะทดลองดูไปเหยียบงูจงอางจงอางก็ฉกนะไปตกเหวตกบอ่อได้ทั้งนั้นพนะ่าไงเพราะไม่ได้รับการศึกษาแต่ล้รับการศึกษาเราจะรู้ได้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะอตอนนี้ไปรลบพอนะเจนี่นะ